รรมาสการประคุณเจ้าที่กรลบแล้วก็อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมผู้ที่มีจิตใจฝักฝ่ในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะที่ผมจะได้มีโอกาสมาทมหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรม ก็จะมาพูดคุยให้แง่คิดให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันนี่แหละการฟังธรรมนี่ก็คือฟังเรื่องของตัวเราเองเรื่องของความไม่ทุกข์เพราะวเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นทุกข์ เรามีกายมีจิตไม่ใช่มีเอาไว้เพื่อจะเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นสาระสำคัญนะที่เราเป็นทุกข์็เพราะว่าเราไม่รู้จักตัวเราเองไม่รู้เรื่องของกายไม่รู้เรื่องของจิตจึงเกิดความยึดมั่นยึดติด ว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานั่นเป็นความเห็นผิดถ้าหากว่าเรารู้จักตัวเลยเองอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ยึดติดในกายในจิตว่าเป็นตัวตนของเราถ้าเราสามารถปล่อยวางกายปล่อยวางใจได้เมื่อไหร่แล้วก็ความทุกข์มันจะมาจากไหน ทีนี้หากว่าเราจะปล่อยวางกายปล่อยวางใจได้นั้นจะต้องรู้จักตัวเราเองรู้เรื่องของกายรู้เรื่องของจิตการรู้เรื่องของกายและรู้เรื่องของจิตนั้นคือการมารู้จักตัวเราเอง จะรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงในนั้นไม่ใช่ว่าเพียงแค่คิดนึกเอาคิดนึกหรือทำความเข้าใจเท่านั้นยังไม่เพียงพอต้องมีการปฏิบัติภาวนาคือวิปัสสนาหรือการเจริญสติเนี่ย yeah. เนื้อหาสาระวันนี้ก็จะพูดเรื่องรู้กายรู้จิตสิ้นทุกนั่งตามสบายๆนะฟังธรรมะต้องฟังแบบผ่อนคลายอย่าไปเครงเคลียด <t Yaz øre> ทำให้ผ่อนคลายทีนี้การที่จะเราจะมาปฏิบัติภาวนาเนี่ยหรือการเจริญสติเนี่ย เราควรจะทำเวลาไหนที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ทำที่ไหนที่จะเหมาะสมที่สุดเนี่ยสองอย่างเวลาไหนที่ไหนที่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการภาวนาเวลาที่เหมาะสมที่สุดนั้น ของการเป็นแบบภาวนาหรือการฝึกเจริญสติเนี่ยก็คือเวลาที่เรารู้สึกตัวเวลาที่เรารู้สึกตัวเนี่ยมันเหมาะสมที่สุดเลยนะของการที่จะปฏิบัติภาวนาเพราะว่าเวลาที่แย่ที่สุดก็คือเวลาที่เราไม่รู้สึกตัว เวลาหลงลืมตัวเนี่ยเป็นเวลาที่แย่ที่สุดเลยเพราะว่ากิเลสความทุกข์มันเกิดขึ้นไม่เลือกเวลาหากเราเผลอสติปล่อยจิตปล่อยใจไปคิดปรุงแต่งเมื่อไหร่แล้วก็เป็นการเชื้อเชิญกิเลสหรือความทุกข์มาสู่จิตใจ แล้วที่ที่เหมาะสมที่สุดในการภาวนาก็คือบาคนบอกที่วัดก็ที่กายที่จิตเราเนั่นแหละเป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดเลยที่จะปฏิบัติภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ไหน คนบอกที่ประเทศอินเดียที่ใต้ต้นสีมหาโพธิลิมฝั่งแม่ น, มน้ำเนรัญชาลานั่นเป็นสถานที่ภายนอกถ้าที่นั้นเป็นที่ตััสรุของคนทุกคนแล้วก็พวกเราก็ไม่ต้องไปไหนฮะนะ ไปที่อินเดียกันเป็นนั่งอยู่ใต้ต้นโพ น, นั่นเป็นที่ภายนอกพระพุทธเจ้าตัสรู้ที่กายที่จิตโดยใส่ใการบำเพ็ญเพียรทางจิตที่เรียกว่าจิตตะภาวนา <c oughs> ก็ที่กายที่จิตนั่นแหละเป็นหลักใหญ่ใกล้ตัวที่สุดเลย เพราะฉะนั้นที่ใดก็ตามเวลาใดก็ตามที่เหมาะสมที่สุดของการปฏิบัติภาวนาก็คือเวลาที่เรารู้สึกตัวลงที่กายที่ใจของเรานั่นแหละจะอยู่นาที่ใดเนี่ยไม่สำคัญ เท่ากับที่นั้นจะต้องมีกายมีจิตมีความรู้สึกตัว <c oughs> นะเพราะฉะนั้น <c oughs> การทำภาวนาหรือการเจริญสตินี่แหละเราทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องไปที่ไหนเราอยู่ที่ไหนที่นั่น ล, ละละปฏิบัติทำได้ทั้งหมดเลยจะเป็นในรถยนต์หรือ ในบ้านในที่ทำงานในวัดขณะกำลังโทรศัพท์นะกำลังนอนกำลังนั่งกำลังยืนกำลังเดินเรารู้สึกตัวได้ทั้งนั้นนะไม่เลือกสถานีไม่เลือกเวลาแม้กระทั่งเวลาที่เราคิดนึก <c oughs> เวลาที่เราคิดนึกนี่แหละนะ เราสามารถรู้สึกตัวได้เพราะว่าหากว่าเรามีความรู้สึกตัวเราสามารถพัฒนาจิตใจจากจิตปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยเจ้าได้ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกคนมีโอกาส จะบวชหรือไม่บวชก็ไม่สําคัญสังวาห์ที่เรามีความรู้สึกตัวลงที่กายที่ใจเรานั่นแหละก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมดับทุกข์ได้ทุกขณะจิตนั่นเราคงจะสนใจเรื่องนี้ให้มากๆเรื่องของการฝึกสติเนี่ยตนนัวสำคัญเลยนะประเด็นการฝึกสติอยากให้ทําตั้งแต่เริ่ม ตื่นนอนบนเตียงเลยนะ่แหละทันทีที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาให้เรารู้สึกตัวทันทีเป็นจิตเริ่มแรกเป็นจิตเริ่มแรกของวันใหม่ชีวิตใหม่เริ่มจากการรู้สึกตัวตั้งใจที่จะรู้สึกตัว ก่อนที่จะถูกความคิดมันแย่งออกไปเพราะว่าเราเคยชินที่จะตื่มาแล้วคิดคิดปรุงแต่งก่อนเลยความคิดเอาไปกินก่อนนี่เราเปลี่ยนวิธีชีวิตแบบใหม่เปลี่ยนมาลืมตาตื่นให้รู้สึกตัวทันทีตั้งใจที่จะรู้สึกตัวไอ้การตั้งใจน่ะแหละคือมีสติมีสมาธิอยู่ในตัวแล้วเสร็จ ตั้งแตเทียะรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัวเนี่ยนำหน้าความคิด <c oughs> ตัวนียเราแพ้ความคิดถูกความคิดนำหน้าไปก่อนเป็นทุกข์สแล้วจึงจะมารู้ตัวได้เรเปลี่ยนใหม่เลยพอลืมตาตื่นปับ๊บตั้งใจรู้สึกตัวให้เริ่มจากการนอนพลิกมือเล่นอยู่บนเตียงนี่แหละทําอยู่บนเตียงนี่แหละก่อนที่จะลุกไปไหน ในขนาดนั้นเนี่ยจิตใจเราเนี่ยสําคัญกว่าสิ่งอื่นหลายเท่านักอย่าเพิ่งไปทําอะไรนี <c> ่ <oughs> มารู้สึกตัวจิ่จิตที่ใจที่กายเราสะก่อนเอาตรงนี้ก่อนนอนพลิกมือเล่ น, นยอยู่บนเตียงแหละพลิกมือหงายรู้สึกความรู้สึกพลิกมือหงายรู้สึกพลิกมือความรู้สึกให้รู้สึกอยู่ตรงนั้นก่อน ลืมตาอย่าหลับตาถาลับตาเมื่อไหร่แล้วก็จะหลับในมือก็พลิกไปใจก็หลับไม่มีประโยชน์ได้แต่กำลังกายแต่จิตใจยังไม่ได้เลยยังมืดเหมือนเดิมลืมตาตื่นทำท่าโตโตพลิกมือรู้สึกนะเป็นการฝึกเจริญสติไปกับการเคลื่อนไหวบนเตียงนั่นแหละทำสักพักหนึ่ง ต่อจากนั้นให้เปลี่ยนวิธีการรู้สึกตัวใหม่ให้รู้สึกตัวไปอาการออก ก, กาออกกำลังกายบนเตียงเคยไหมออกกาลังกายบนเตียงเนี่ยบริหารกายอยู่บนเตียงเนี่ยเดี๋ยวนี้มีท่าโยคะเพื่อความผ่อนคลายนอนทําก็ได้ยังไม่ต้องลุกมานอนทําตรงนั้นนะให้ตั้งใจที่จะเคลื่อนไหว ออกกาลังกายในท่ากายบริหารอยู่บนเตียงอย่าเพิ่งลงมาถ้าลงมาปั๊บเนี่ยเราจะต้องมีงานต้องทำอีกมากมายนะละ่ะเอาเตียงนะ่ะเป็นที่สำหรับเป็นเวทีสำหรับการปฏิบัติภาวนาไปเลยให้รู้สึกตัวกับท่าบริหารกายต่างๆนะขยับกายใจรู้ถัน <c oughs> ให้รู้สึกขี้เฉยนะให้รู้สึกแบบไม่ต้องคิดอะไรนะ ยกมือขึ้นให้รู้สึก yeah. หรือจะพลิกซ้ายพลิกขวาให้รู้สึกเทั้เอง <c oughs> การขยับกายคือการเคลื่อนไหวรู้สึกคือจิตทำงานเราจะได้บริหารทั้งกายแล้วก็บริหารจิตบริหารกายคือการเคลื่อนไหวไปมาบริหารจิตคือรู้สึกขยันรู้สึกเป็นการบริหารจิต ให้จิตมันตื่นแค่เพียงรู้สึกเนี่ยมีทั้งสติมีทั้งสมาธิอยู่ในตัวเสร็จเห็นไหมนี่ยังไม่ลงจากเตียงไปไหนเลยนะ <c oughs> เราสามารถฝึกสติปฏิบัติภาวนาได้เลย <c oughs> ให้ตั้งใจทำสักหน่อยไอการตั้งใจทำนี่แหละคือตัวสติพอตั้งใจแล้วมันจะมีตัวสมาธิตั้งมั่นจิตตั้งมั่น เไม่ออกไปจากตัวเราทําอยู่อย่างนี้แหละให้รู้สึกนรู้สึกแบบไม่ต้องคิดอะไรเริ่มอยู่ตรงนั้นแหละเราจะรู้ว่าอ๋อนี่เราเราได้ไปปฏิบัติทำอยู่บนเตียงเรียบร้อยแนละ้วไอ้ความรู้สึกเนี่ยคือตัวสตินั่นคือตัวสติรู้สึก และเป็นจิตดวงแรกสัมผัสแรกเป็นจิตเริ่มแรกก่อนที่มันจะคิดปรุงแต่งเป็นจิตที่บริสุทธิ์ความรู้สึกล้วนๆที่ไม่ต้องคิดอะไรนั่นแหละเป็นจิตที่บริสุทธิ์นะ <c oughs> เป็นสมบัติแรกของจิตเนี่ยเป็นชีวิตใหม่ <c oughs> <c oughs> เรารู้สึกล้วนๆแบบไม่ต้องคิดสักระยะหนึ่ง แปลการเคลื่อนไหวของกายทําไปสักระยะหนึ่งเราจะรู้ว่าจิตเราเนี่ยผ่อนคลายมากสักห้านาทีสิบนาทีเนี่ยเคลื่อนไหวลารใดให้รู้สึกตัวย่ห้านาทีสิบนาทีเนี่ยจะรู้สึกผ่อนคลายได้พลัง เ, เพียงแต่เรารู้สึกแบบแบบไม่คิดเนี่ยจิตมันก็สบายแล้ว <c oughs> น เราควรจะมีเวลาให้กับตัวเองอย่างนี้มากในทุกๆวันในตอนเช้าก่อนที่จะทำสิ่งอื่นใดบนเตียงนั่นแหละมันเป็นสุขในปัจจุบันน ะ, นะก็เรียกสุขรายวันก็ว่าได้เป็นการให้รางวัลชีวิตเป็นการทำบุญให้กับตัวเราเอง เราจะได้พลังจิตตรงนี้แหละและวันทั้งวันเนี่ยเราทำอะไรก็ตามจิตจะสบายจะผ่อนคลายส ต, ติจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพอเริ่มต้นจากชีวิตใหม่ตรงนี้ทำได้ทุกคนเลยผู้สูงวัยก็ทำได้บนเตียงคนที่ป่วยไข้ถ้าพอจะเคลื่อนไหวได้ก็สามารถทำได้แม้แต่คนพิการเนี่ย เคลื่อนไว้ได้แค่แขนสองข้างแล้วก็ศรีษรษะนะนะก็ยังทําอยู่บนเตียงเนี่ยก็ยังมีความสุขได้ในปัจจุบันมันเป็นการปลกุกปลุกติดให้มันตื่นปลุกติดให้มันตื่นให้มันตื่นรู้นะขจัดความงัวงเงียตอนตื่นนอน ขจัดความเสื่อมซึมในตอนตื่นนอนที่สําคัญก็คือขับไล่ตัวขี้เกียจตื่นเนี่ยสำคัญในนั้นเนี่ยทำอย่างนีนะ้เนี่ยเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกในี่ยป็งานขับไล่ตัวขี้เกียจตื่นนั้นทุกคนมีโอกาสทําได้นะคนที่มีการเคลื่อนไหวในน้อยอย่างผมเนี่ยยังทําได้ทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่แล้วมีความสุขเป็นปัจจุบันสุขรายวันเริ่มจากตอนเช้าแล้ว คนเขาโอกาสทํานเงี้ยให้ได้ทุกวันวันละเล็กวัละน้อยก็ยังดีเดียว่าเราไม่ได้ทำเลยและต่อจากนั้นล้าก็ทาในาบทอื่นต่อไปลุกขึ้นนั่งให้รู้สึกลงจากเตียงก็รู้สึกยืนขึ้นก็รู้สึกเดินไปก็รู้สึกในการเดินให้รู้สึกเนี้ย จะ เ, เดิมน้ำก็รู้สึกเข้าออน้ำกนรู้สึกให้รู้สึกเฉยๆแบบไม่ต้องมีคำบริกรรมอะไร <c oughs> ไม่ต้องมีคำบริกรรมมีแต่ความรู้สึกล้วนๆ <c oughs> มันเป็นปรมาธรรมไม่ต้องใช้คำบริกรรมอะไรให้ทำให้ต่อเนื่องนี้แหละนั่นคือตัวปรมาธรรมตัวรู้สึกเนี่ย ถ้าคิดหรือมีคำบริกรรมมาเมื่อไหร่แล้วก็ก็เป็นตัวสมมุติเป็นบัญญัติให้เรารู้สึกกับการเคลื่อนไหวของกายในขณะปัจจุบันเท่านั้นเองให้จบลงที่ความรู้สึกเท่านั้นเองมันมีผลอยู่แล้วในตัว ให้รู้ให้ทันรู้สึกตัวให้ทันให้ทันกาการขึ้นไหวของกายถ้ารู้ไม่ทันไม่เป็นไรนะก็ปล่อยให้ผ่านไปแล้วก็เริ่มต้นรู้ใหม่อย่าลืมรู้สึกก็แล้วกันให้จบลงที่ความรู้สึกให้ได้นั่นแหละคือการปฏิบัติทุกครั้งที่รู้สึกเนี่ยมันเป็นผลอยู่แล้วในตัวถ้าเผลอไปก็ปล่อยให้ผ่านไป แล้วก็เริ่มต้นรู้สึกใหม่แล้วก็ทิ้งไปแล้วก็รู้สึกใหม่ชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นกับกจิตดวงใหม่ที่เรารู้สึกรู้สึกรู้สึกนี่แหละน ม, มันเป็นคำตอบสุดท้ายเลยไอ้ความรู้สึกนี่นะทำให้ต่อเนื่องคำว่าต่อเนื่องคือหลงไปเมื่อไหร่ก็กลับมารู้สึกหลงเมื่อไหร่ก็เริ่มรู้สึกใหม่รู้สึกใหม่อย่างนี้แหละคำว่าต่อเนื่อง คือใส่ใจจะรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งในการประกอบภารกิจต่างๆในชีวิตของเราอาบน้ำก็รู้สึกแปลงันก็รู้สึกแต่งตัวก็รู้สึกอย่างนี้แต่ละวันจะทำอะไรก็ตามให้เติมความรู้สึกอย่างนี้ไปนะอย่าไปยึดติดเอาไว้นะรู้สึกเอาใหม่ใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างนี้แหะอิเลียบทใหม่รู้สึกใหม่นี่แหละมันเป็นตัวแท้ของจิตเดิมแท้ ทำให้ต่อเนื่องจิตจะมีกําลังนะให้ต่อเนื่องจิตจะมีกําลังเผลอไปก็รู้สึกเห ม, มนจะมีกําลังเมื่อจิตมีกําลังนะจิตมันจะตื่นตื่นรู้จะออกมาเป็นผู้ดูนะเพราะจิตมีกําลังจะเป็นผู้ดูดูอะไรดูกายที่มันเคลื่อนไหวจิตผู้ดูเกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ย เมื่อมีการดูก็มีการเห็นเนี่ยนี่แหละจะเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเคลื่อนไหวนี่เป็นรูปจิตที่รู้เนี่ยมันก็ก็เป็นนามมันจะถ่ายถอนตัวตนออกตรงนี้แหละถ้าทําต่อเนื่องบ่อยๆจะถ่ายถอนตัวตนนะจะไม่มีเรานะมีแต่รูปมีแต่นามรูปคือกายนามคือจิตเนี่ย แล้วเราจะรู้ว่าอ๋อรูปเนี่ยมาถึงกายเนี่ยมันมีทุกข์อยู่ในตัวมันเองเดี๋ยวมันหิว <c oughs> เดี๋ยวมันเมื่อยเดี๋ยวมันต้องถ่ายหนักถายเบามันเป็นทุกข์ของรูปทุกข์ของกายไม่ใช่ทุกข์ของเรา <c oughs> จิตเป็นเพียงแค่ผู้รับรู้รับทราบเอาไว้เท่านั้นเองเห็น ไ, ไหมเป็นผู้ดูกายที่เป็นทุกข์ จิตเป็นผู้ดูกายที่เป็นทุกข์แต่ไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยเนี่ยมันออกมาจากกายแล้วนะเติร์นมาแตกแถวมาเป็นผู้ดูกายจิตผู้ดูกายเป็นผู้เป็นนะแยกออกมาดูแหลนะไม่ได้เป็นกายแต่เป็นผู้ที่รับรู้รับทราบว่ากายมีอะไรนะตอนนี้มันจะเห็นจิตอ่ะนะจิตเนี่ย ธรรมะที่สองอย่างจิตธรรมะที่รู้รู้สึกนี่แหละคือจิตล้วนๆและอีกอย่างหนึ่งคือธรรมะที่คิดปรุงแต่งจิตเมียที่รู้กับคิดถ้าเราฝึกสติบ่อยๆจิตมันจะรู้มากกว่าคิด ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเคยชินแต่คิดมากกว่ารู้คนที่ไม่ได้ฝึกสติจะมีแต่ความคิดไม่ค่อยมีแต่ความไม่มีความรู้สึกคนฝึกสติแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกมากกว่าความคิดมันจะคุมกำเนิดความคิดเลยนะความคิดจะน้อยลงไปมีแต่ความรู้สึกของจิตเดิมแท้ๆไอ้ความคิดน่แหละคือเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับชีวิตเรา คนเราเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นความคิด <c oughs> ไอ้ความคิดเนี่ยนำเอาราคะโทสะความพอใจไม่พอใจความยึดมั่นถึงมั่นก็มาจากความคิดแตงั้นแหละเมื่อมันคิดขึ้นมาเราไม่เห็นไม่เข้าใจมันเลยเข้าอยู่ในความคิดเลยมันก็ไปรักไปโลภไปกโกรธไปหลงทำให้จิตต้องเหน็ดเหนื่อยกระนวนกระวายมันก็ไปทุกข์อะ่ะ แต่พอเราฝึกสติแล้วเนี่ยมันคิดขึ้นมาเรารู้รู้เฉยๆไม่ต้องไปบอกว่านี่เป็นจิตโลภจิตโทสะจิตโมหะไม่ต้องไม่ต้องห้ามความคิดไม่ต้องบังคับความคิดปล่อยให้มันคิดแล้วจิตก็รู้เฉยๆแค่จิตรับรู้ ว่ามันคิดนั่นเองอะไอ้ความคิดก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะดับลงไปจะไม่ปรุงแต่งต่อไอ้ความคิดที่มันปรุงแต่งจิตเนี่ยมันกลัวสติที่รู้ทันพอรู้ทันความคิดเมื่อไหร่แล้วก็ความคิดนี่มันจะหนีหน้าหายไปเลย <c oughs> เพราะไอ้ความคิดเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตนอยู่จริงหรอกความคิดไม่มีตัวไม่มีตนเกิดมาชั่วขณะหนึ่งที่เรารู้ทันมันก็หายไป มีตัวไม่มี ต, ตนนะฮะเขาเรียกเป็นอนัตตาแห่งธนะัรมเมื่อเกิดความคิดทสติรู้ทันความคิดก็ปรุงแต่งต่อไม่ได้นะก็เลยจะจิตล้วนๆจิตล้วนๆ น, นั้นมันก็ไม่ตั้งมั่นอยู่กับที่เน้่มันก็เกิดดับเหมือนกันแล้วมีก็่จิตดวงใหม่ขึ้นมาจิตที่รู้มันก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกพอรู้แล้วเดี๋ยวมันก็หลงเนี่ยมันก็ลืมดับไปแล้วก็รู้ขึ้นมาใหม่ เห็นไหมความคิดก็ไม่มีตัวไม่มีตนจิตก็ไม่มีตัวไม่มีตน <c oughs> เพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งนั้นแหละมันเป็นอนาตาอัตตาแห่งธรรมไตรลักษณ์เกิดขึ้นตรงที่เรามีสติเห็นจิตคิ ด, ดาการเจรสติเนี่ยถ้าเห็นจิตคิดเนี่ยถือว่าเป็นวิปัสสนาแล้วเป็นวิปัสสนา เห็นแจ้งความจริง <naj> ว่า <Wow>, จ <simulate hiding> ิตเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกถ้าเราหมั่นที่จะรู้สึกตัวเห็นจิตคิดบ่อยๆเนี่ยมันจะเคยจนิที่จะรู้สึกรู้สึกต่อไปไม่ต้องทำละมันรู้สึกได้เองเห็นไหมมันรู้สึกได้เองจิตเนี่ยเหมือนเป็นการสอนจิตรู้รู้สึกแต่ละครั้งเท่ากับเป็นการสอนจิตให้รู้แล้วต่อไปมันจะรู้เอง ต่อไปมันจะรู้เองไม่ต้องสอนมากครั้งเดียวก็บ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็จะรู้เองเมื่อเราสอนเด็กทำงานเด็กใหม่ๆทำงานไม่เป็นสอนให้เด็กทำงานแล้วต่อไปเด็กก็จะทางานได้เองจิตแล้วก็เหมือนกันสอนให้มันรู้สึกตัวรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยต่อไปมันก็จะรู้สึกตัวเองเป็นชีวิตจิตใจของมันเองถ้าเห็นจิตคิดเมื่อไรแล้วก็ เราจะรู้สึกว่ามันจะเบาสบายเห็นต้นตอของจิตที่มันมันเป็นปกติมันเป็นอิสระปราศจากการคิดปรุงแต่งนะ <Yeah. S 1> เห็นจิตคิดปับ๊บไอ้ความคิดก็จะดับไปเห็นจิตเดิม แ, แท้ๆที่ไม่มีการปรุงแต่งเป็นจิตที่เป็นอิสระนะ <Yeah. S 1> จิตที่มืดตื้อก็จะสว่างเบาสบายเบากายเบาใจ การเจริญสติถ้าเห็นจิตคิดถือว่าได้ต้นทางของพระนิพพานพระอริยเจ้าเกิดขึ้นตรงนี้ตรงที่เห็นจิตคิดแล้วมันก็ดับไปเนี่ยพระอริยเจ้าเกิดขึ้นตรงนี้จิตจะเป็นอิสระเป็นปกติเขาเรียกต้นต่อของชีวิตจิตใจคือความเป็นปกติที่เป็นอิสระเราก็เอาจิตที่เป็นอิสระเนี่ยมาทําหน้าที่การงานของเราซะ ทำด้วยตัวเราเองไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความคิดที่มันปรุงแต่งอันนี้เป็นการเจริญสติในชีวิตประจวันแต่เป็นปัญหาอยู่ว่าเรามากักจะปฏิบัติแล้วหลงบ่อยลืมบ่อยมีความคิดมากหลงไปนานมัางจิตไม่ตั้งมั่นมั่งสติไม่ค่อยเกิดมั่งเพราะว่า จิตมันไม่มีกำลังการภาวนาจะจิตมีกำลังในนั้นจะต้องมีรูปแบบของการปฏิบัติรูปแบบการปฏิบัติเนี่ยมีมากมายรูปแบบการปฏิบัติมันทำให้เราทำได้ต่อเนื่องจิตตั้งมั่นได้นาน ทำให้จิตมีกำลังรูปแบบขอนการเจริตติจะทำให้เกิดปัญญาถ้าทำบ่อยๆ อ, อะไรคือรูปแบบการที่มีสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นก็คือรูปแบบการเดินจงกรมก็คือรูปแบบการยกมือสร้างจังหวะศิทสีจังหวะแนวหลวงพ่าเทียน นั่นก็คือรูปแบบรูปแบบทำอตอนที่เราว่าที่เรามีโอกาสทํำบ่อยๆมันจะสนับสนุนในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติได้จิตจะมีกําลังมากขึ้นแต่รูปแบบการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยจะต้องเริ่มจากการฝึกเจิตระสติมารู้กายรู้จิตมารู้ที่ตัวเราเท่านั้น รูปแบบไม่รู้นอกตัวรู้ที่เนื้อที่ตัวเราการจรติไม่ได้เห็นอะไรนอกตัวเห็นตัวเราเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเห็นใจที่มันคิดนึกที่ตัวเราเห็นกายกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดนั่นแหละคือการเห็นตัวเรา <c oughs> ต้องฝึกตรงนี้นะ ต้องฝึกบ่อยๆถ้าเราปฏิบัติแล้วไม่รู้ธรรมะแล้วไม่มีการปฏิบัติทำไม่มีรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยเราจะมีแต่ความคิดมีแต่การปรุงแต่งเพียงแค่คิดเอาเนี่ยฟังแล้วคิดพิจารณาทำควาเข้าใจยังไม่เพียงพอต้องมีการปฏิบัติมีการภาวนามีการเจริญสติมันจึงจะเห็นผล ผมเองนี่ศึกษาธรรมะจากการอ่านตำรามามากหลายครูบาอาจารย์อ่านตำราแล้วก็ทำความเข้าใจกับตำราเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าเราเนี่ยรู้ธรรมะดีแล้วถ้าเกิดความประมาท แต่พอเรามาฝึกเจริญสติฝึกสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลุกพระเทียนเนี่ยแล้วก็มีหลวงพ่อคาเขียนเนี่ยเป็นพระครูบาอาจารย์ให้คำแนะนำสอนให้ผมฝึกสติได้ประมาณหนึ่งเดือนเกิดประสบการณ์ขึ้นมาแค่หนึ่งเดือนจึงประจักษ์แจ้งว่าอ๋อ ไอ้ความรู้ที่เกิดจากการคิดนึกแล้วก็ทำความเข้าใจนั้นมันต่างกันกันกบความรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติให้เกิดประสบการณ์จากการเกิสติลิปลับเทียบไม่ติดเลย <c oughs> มันได้คำตอบจากการลงมือปฏิบัติที่เป็นประสบการณ์แค่หลักการวิชาการนั้น ยังสู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติไม่ได้อ่าไอ้ที่ได้คำตอบเพราะว่าได้ผลของการปฏิบัติการเจริญสติในชีวิตประจวันเนี่ยมันทำให้เรามีเครื่องอยู่มันมีเครื่องอยู่ของจิตใจที่มีความสุขสบายในปัจจุบันเลยนะเครื่องอยู่ของจิตใจออกจากการเจริญสติเนี่ย ถ้าเราไม่มีการจรติตในชีวิตปัจจำวันเนี่ยจิตมันจะฟุ้งซ่านมากทำไมฟุ้งซ่านมันก็เหงาหงอยมันก็มีทุกข์อ้อยู่ที่จิตใจเลยแหละเพราะเราไม่มีอะไรทำ <c oughs> พอมีการฝึกจิตสติเนี่ยโอ้เรามีงานทำเป็นงานบุญทัด้วย <c oughs> งานบุญกับตัวเราเองเออเรามีเครื่องอยู่ที่มีความสุขสบายในปัจจุบันนี่เลยนะ อยู่บนเตียงนั่นแหละไปไหนไม่ได้และที่สำคัญคือถ้าเราฝึกสติบ่อยๆต่อเนื่องบ่อยๆเนี่ยมันรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงมันเห็นตัวเองเห็นเรื่องของกายเห็นเรื่องของจิตเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นด้วยว่าเขาสึกอย่างไรเราควรจะทากับเขาอย่างไรเราทากับตัวเองอย่างไร และมีความสุขก็ควรจะทำมาเขายังมีความสุขพูดคุยให้แง่คิดแทรกวางลังใจแบ่งปันกันที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือมันรู้จักวิธีจัดการกับความทุกข์ของตัวเราเองได้ <c oughs> จึงเกิดความมั่นใจว่าโอ้เราจะไม่กลับไปเป็นทุกข์เหมือนเดิมอีกแล้วมันมั่นใจ <c oughs> มันตอบตัวเองได้ ชีวิตมันชัดเจนขึ้นการใช้ชีวิตที่ชัดเจนขึ้นมันมีความเชื่อมั่นมากในตัวเองเราจะไม่กลับไปเป็นทุกข์เหมือนเดิมอีกแล้วเรามันตื่นจากฝันร้ายแล้วเราก็เอาสิ่งหเหล่านี้มาแบ่งปันกับคนอื่น <S <S ให้แง่คิดให้กำลังใจกับคนที่ยังมีความทุกข์เพราะคิดไม่ถูกต้องและก็ปฏิบัติไม่ถูกต้อง เรามีมีวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ทํากับตัวเองได้แล้วแนะนําบอกอื่นไปในอย่างวันเนี้ยถือว่าเรานําเอาแง่คิดเอากําลังใจวิธีการปฏิบัติมาแบ่งปันคนอื่นก็เป็นส่วนที่เราทําหน้าที่เป็นบุญของเราทําให้อื่นเขามีความสุขให้เขามีวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ยาทิธรรมปัญญาที่แท้จริงนั้นต้องเกิดจากการภาวนาจึงจะดับทุกข์ได้จริงลำพังแค่เพียงคิดนึกทำความเข้าใจยังไม่เพียงพอต้องมีการลงมือปฏิบัติลงมือกระทาลงมือเจริญสติภาวนามันจ ะ, จะดับทุกข์ได้จริง ถ้าเราแค่เปลี่ยงคิดนึกเราจะเกิดความประมาทคิดว่าเรารู้ธรรมะแล้วก็จะหลงทางไปทำให้เราเกิดความประมาทในพุทธวจนะทั้งกล่าวไว้ว่าธรรมะไม่อาจอย่างลึกได้โดยการตรึก <c oughs> วันนี้ก็ได้ พูดคุยปลาลธรรมะะได้นการให้แง่คิดแห้กำลังใจตามสมควรแก่กำลังไม่จะท่วงแก่เวลากำลังมันเหลือแค่นี้แล้วก็เลยใช้เวลาพูดได้เพียงแค่นี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่มีจิตใจฝากไะในธรรมะเพราะว่าคงจะได้ วิธีการปฏิบัติเป็นแนวทางเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้กับอาจารทุกท่านจงมีความเจริญในธรรมมีความสุขมีสติมีปัญญานำพาชีวิตจิตใจไปสู่ความสิ้นทุกข์ก่อนสิ้นใจด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอ